ดูข้อ2ฉชัถีวิพัฒน์ในอัตธุติยาให้เห็นชัถีที่ไหนต้องแปลเป็นธุติยาและในอัตเนี้ยแปลชัถีวิพัฒน์ว่าซึ่งดูตัวอย่างข้อหนึ่งสหาสากรรมมัศกตางโรสหาสาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสหัดไม่ได้แปลว่าสหัดแปลว่าเร็วพรันรีบด่วน สหาสสแปลว่าโดยเร็วโดยไว้กรรมัตสาตัวนี้แปลว่าซึ่งงานซึ่งการงา น, ก, านกระตางโรแปลว่าผู้กระทําสหาส า, ส า, ก, ากรรมัตสักตางโรผู้กระทําซึ่งงานโดยเร็วโดยไวคนทํางานไวอะแปลว่าคนทํางานไว ค น, นโรนบราณก็บอกว่าเวลาทําการทํางานก็ให้ทําเหมือนไฟไม่ตีนไม่มือหน่อยคนโบราณน่ะก็คือให้ทำเร็วๆอย่าอืดอาดเอรื้อเอยชยภาคการก็สอนไหมไฟไม่ตีนไม่มือเนะบ้านหรืบางก็สอนอย่างนี้นทาอะไรให้เหมือนไฟไม่ตีนไม่มือมีแต่อูดรนมา้งกันน่ะสอน ต่อไปข้อ2 อ, อมะตสะสัทธาตาธาตาแปลว่าผู้ให้อมตัสซึ่งอมะตะผู้ให้ซึ่งอมะตะรมซึ่งอมะตะรถผู้ให้ซึ่งพระนิพพานอมะตะเนี่ยแปลว่านิพพานก็ได้ทั้งกรรมศาสทั้งอมตะตัสส์เห็นไหมเป็นฉัตรถิวิพัตน์แต่แปลเป็นทุติยาว่าซึ่งผู้ให้ซึ่งอมะตะข้อส พินนานังสันธาตาพินนานังแปลว่าผู้แตกแยกสามัคคีสันธาตาแปลว่าผู้สมานผู้ประสานผู้ต่อสันธาตาในแปลว่าผู้ต่อผู้ต่อผู้เชื่อมผู้โยงผู้สมัครสมานสันธาตาผู้สมานพินนานังซึ่งบุคคลผู้แตกแยกแล้วทั้งหลาย แม้จะเป็นทุติยาก็จริง เ, เป็นฉัถีแปลเป็นทุติยาจริงแต่ถ้าเอกน์ก็แปลเป็นเอกภ์ถ้าผู้หูพจน์ก็ต้องแปลเป็นผมหูพจน์นังเป็นฉัตถีผูหูพจน์แปลเป็นธุติย า, แ, า, า, ยาแล้วต้องเป็นธุติยาผู้หูพจน์ว่าซึ่งทั้งหลายพินนานังซึ่งผู้แตกแยกกันทั้งหลายสันธาตาผู้สมาน กินนานังสันธาตาผู้สมานซึ่งผู้แตกแยกกันทั้งหลายเห็นใครเ้าแตกแยกเข้าไปพูดเกลี้ยกล่อมให้สมานสามคัคคีบาลีวา่าอะไรนะวิโรทติสุขาโลเกสมะขาอุติทุกขราเคยได้ยินไหมครับเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยเล ย, เ, ลยเคยจดให้ละมัง้ง วิโรโธติสุขาโลเกสมักขาอุติทุ ก, กังราวิงโรโธติสุขาโลเกสมักขาอุติทุ ก, กังราวิงโรโธตินัก็คือวิโรธะบวกอุติเป็นสมารลบสละอณาแล้วก็วุ ธ, ธิไม่ใช่วิการสละอุหลังเป็นสละโอ วิโรธอุติอุติเหมือนตัวหลังในอุติอุติแปลว่าคำพูดการพูดวิโรโทธทติสุขาโลเกสมคขาอุติทุกขังกาแปลว่าวิโรทธทติการพูดให้แตกแยกกันสุขาทำได้ง่ายโลเกในโลก ทำให้แตกแยกกันง่ายที่สุดในโลกอุติคําพูดสมคาให้สามัคคีกันทุก ก, กรารกาททาได้ยากที่สุดในโลกคําพูดให้แตกแยกกันทําได้ง่ายที่สุดในโลกคําพูดให้สามัคคีกันทําได้ยากที่สุดในโลกโลเกลนะเข้าทั้ง2องทีนั่นแหละ สมัครคาให้สามมคีกันยางไงอุติแปลว่าคำพูดหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าคำพูดขัดคอกันเนี่ยง่ายคำพูดคล้อยตามกันเนี่ยยากคำพูดคาพูดว่าคำพูดขัดคอบางทีก็พูดดีๆนี่แหละ บางทีเราพูดเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ว่าไปขัดคอเขาอะไรนะเอามีนิทานนะคําพูดอย่างนี้มีสองสามีภรรยาเรานิทานก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเรานิทานสองสามีภรรยานี่นะตั้งแต่แต่งงานกันมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีบุตรเลยนะเวลาใครพูดอะไรก็ตามไม่เคยขัดใจกันเลย ถ้าสามีพูดขึ้นก่อนภรรยาก็คล้อยตามทุกอย่างพาพูดอะไรพูดตามหมดถ้าภรรยาพูดก่อนสามีก็ตามไม่เคยขัดใจกันเลยไม่เคยมีคําพูดอะไรที่มาโต้แย้งขัดขัดคอกันเลยไม่มีวันหนึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยไปวิดน้ําเอาปลาในแอ่งน้ําแห่งหนึ่งในลําห้วยไปกั้นคูหัวท้ายเอาไว้แล้วก็วิดน้ําออกจะจะจับปลาเรียกว่าวิดปลา สามีก็ได้ถังไปก็จ้วงน้ําวิตสาดน้ำซ่าซ่าภรรยานั่งอยู่บนตลิ่งเห็นสามีวิตน้ําเหือไหลใครย้อยดูน้ําก็แห้งลงนิดเดียวเองโอ้ยวันนี้มันจะแห้งหรือเนี่ยภรรยาคิดนะก็เลยภรรยาก็เดินลงไปในน้ําหยิบเอาจอกมาหนึ่งกำมือคว้างแปะไปบนตลิ่งให้มันสูงกว่าระดับน้ําแล้วก็บอกสามีว่าพี่พี่แห้งลงเยอะแล้ว<ะ>เนี่ย เห็นไหมจอกปิดอยู่บนฝั่งดู้นน่ะน้ําแห้งลงเยอะแล้วเท่านั้นครับสามีก็มีกำลังใจจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงจะหมดแรงภรรยาก็หยิบจอกคว้าแป๊ะชี้บอกสามีว่าแห้งลงเยอะแล้วลงเยอะแล้วสามีก็หันมามองเออเออใช่ใชไม่เคยคือถ้าถ้าทำแกล้งกันอย่างนี้นะถ้าเป็นเราใช่ไหมทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วแต่สองสามีภรรยาไม่เคยทะเลาะกันไงช่วงใหญ่ ทำอย่างนี้เรื่อยมาเรื่อยมาจนจนทําให้ไอ้ความความสมัครสมานของสองสามีภรรยาเนี่ยทําให้บรรจุกําั้นศิลาอ่าของท้าวสักกะเนี่ยเกิดร้อนรุ่มเล็งลงมาว่าเอ๊มีใครมีคุณงามความดีอะไรกันนักกันหนาทําให้เดือดร้อนที่นั่งของเรานั่งไมเป็นสุกเลยส่องด้วยจักรสุทิพตลงมาอ่อเห็นสองสามีภรรยาช่วยกันขยันขันแข็งเอาอกเอาใจกันเทวดาก็เลยมาช่วยอะ่ะ เนเรมิตให้น้ํามาแห้งลงเร็วแห้งแห้งแห้งพอแห้งจริงๆปกติกําลังคนธรรมดาวิตวันนั้นไม่แห้งอ่ะถ้าวันนั้นไม่แห้งนะกลับไปนอนตื่นเช้ามาน้ําจะเต็มเท่าเดิมเทวดาเท้าสกัดก็มาช่วยด้วยอาโนภาพเท้าสกัดน้ําแห้งลงแห้งลงตักกระป๋องเดียวเหมือนตักไปสิบกระป๋องร้อยกระป๋องเยนี้นะแห้งมุบว่าวปูกว่าวต้งไปเลยเห็นง่ายสันเห็นทันตาเลย อ่าใช่สองสามีภรยายก็จับปลาได้มากจับปลาได้ก็เอาไปขายทีนี้ไปชาวบ้านชาวเมืองก็ถามอุ้ยไปจับปลาที่ไหนทำให้ได้เยอะขนาดนี้ <c oughs> เขาบอกว่าที่ลาห้วยตรงนี้ยตรงนี้ตรงนี้น <c oughs> เขาไม่เชื่อชาวบ้านไม่เชื่อห้วยเนี้ยกี่ปีกี่ชาติมาแล้วไม่เคยมีใครไปวิทย์น้ําให้แห้งได้เลยแล้วแก่สองคนจะไปวิทย์น้ําแห้งได้ยังไง <c oughs> ชาวบ้านเขาอัศจรร ย, ยถ์ถาม มันทำยังไงมันถึงจะแห้งได้ก็เลยบอกไงบอกเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยฉันไปทำอย่างนี้นี่นี่ภรรยาก็เอาใจช่วยทำอย่างนี้ก็เลยมันก็เลยแห้งเร็วเรื่องนี้ได้ยินถึงสองสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยชวนกันอาละเธออย่าลืมนะขั้นตอนยังไงจำให้แม่นอย่าลืม ได้ยินได้ฟังมาแล้วไปเลยไปกัน้นติดกันเลยถัด ก, กันไปกัน้นคูวไว้แล้วก็วิดน้ำสามีก็หันมามองเฮ้ยเมื่อไหร่แกจะยนสักทีวะฮ <c oughs> <c oughs> ะฮะฮะอะฮะฮ <c oughs> <c oughs> ะฮะฮะฮ <c oughs> ะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮิฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ ไม่นานเท่าไหร่ทะเลาะกันร้อนรุ่มถึงที่นั่งท้าส ก, กะตอยลงมาเห็นเอ๊ะใครทำอะไรอีกลงมาอ๋อสองสามีภรรยาทะเลาะกันตอนนี้ลงไม้ลงมือแล้วไม่รู้จะทำไงได้เทวดาก็ได้แต่นั่งหัวเราะอยู่บนสวรรค์นั่นแหละวิดนา้า ลงไปพอสมควรแล้วลอ่ะทะเลาะกันซะก่อนทะเลาะ ก, กันไปเหยียบย่ำคูเอาไว้มันก็พังลงมาน้ําก็เต็มอย่างเก่าเลยไม่ได้ปลาเลยอุปมาให้ฟังสองสองอย่างครูแรกก็เป็นอย่างหน้าคู่หลังก็เป็นอย่างหลังกูดนิดพูนหน่อยโต้เพียงขัดแยง้งขัดคออ่ะดูต่อไปต่อไปดูข้อสี่อุทหนข้อสี่กรรมัสะกลางระโกนัติ กรรมัตสะเป็นชัถีทุติยาแปลว่าซึ่งงานซึ่งการงานการกรโกรแปลว่าผู้กระทําผู้ทํานัตถิแปลว่าย่อมไม่มีการกรโกคนทําหรือว่าผู้ทํากรรมัตสะซึ่งงานนัตถิย่อมไม่มีคนทํางานไม่มีไม่มีคนทํางานข้อ5วิปากะสะจะเวทโกเวทโกผู้เสวย วิปากัสสะซึ่งวิบากผู้เสวยซึ่งวิบากจะนั่นใส่มาในในเป็นบาคคาถาผู้เสวยซึ่งวิบากวิปากัสสะก็เป็นฉถีกรรมเหมือนกันแปลเป็นซึ่งข้อ6เป็นคาถาสุ ข, ขังยาวะชังราสาสุ ข, ขังยาวะชังราศีลังสุ ข, ขาสัทธาปฏิทิตา สุโคปัญญาปฏิลาโพปาป า, ปานังอากาะนังสุ ข, ขังปาปานังตัวนี้เป็นฉัดถีแปลเป็นทุติยาดูนะตั้งแต่บาทแรกสุ ข, ขังยาวะชังราสศีลังศีลังศีนศีสุ ข, ขังทำให้มีความสุขหรือว่าย่ำนำสุขมาให้ยาวะชาลาตราบเท่าชาลา ถ้าแปลยกศัพท์ก็ยาวะเพียงใดชาาแต่ชาราเพียงใดแต่ชาลาคือตราบเท่าชาลาศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชาลาศีลนำสุขมให้จนแก่จนเท่าความหมายสุขาศัทธาปฏิทิตาศราาัทธาแปลว่าศรัทธาปฏิทิตาอันบุคคลตั้งมั่นแล้วอันบุคคลให้ตั้งมั่นตั้งไว้ดีแล้ว สุขานำความสุขมาให้มีศรัทธาดีแล้วก็นำความสุขมาให้ได้สุโ ข, ขปัญญาปฏิลาโภปัญญาปฏิลาโภการได้รับซึ่งปัญญาการได้ซึ่งปัญญาสุโ ข, ขนำความสุขมาให้อีกปาปานังอกังกกะนังสุ ข, ขังอกังกกะนังการไม่กระทำ ปาปานังซึ่งบาปทั้งหลายสุ ข, ขังนำความสุขมาให้าามาจากขุธการนิกายธรรมบทเล่ม25หข้อ3 3 3หน้า74มีนิทานอีกแหละแต่ว่านิทานสั้นๆไม่ยาหรอกนิทานเรื่องนี้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ภูเขาหิมาลัยเวลานั้น พยามาณไม่ใช่พยามาณเพราะเอาชนะผู้ทีเจ้าไม่ได้ผู้ทีเจ้าชนะแล้วก็ตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธะแล้วจะยอมแพ้เลิกลานะไม่ใช่ตามล้างตามผานไม่หยุดไม่หย่อนมานเนี่ยแม้แต่พระพุทีเจ้าไปพักผ่อนเอียบบทตามสบายสบายยังมารบเราเกลี้ยกล่อมผู้ทีเจ้าให้ลาศิกขาไปขึ้นคลองราชอย่างเขาพยามาณก็เลย ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะบัดนี้ได้เวลาแล้วที่พระองค์จะกลับไปครองบ้านครองเมืองหาความสุขความสบายอย่ามาทนทุกข์ยากลาบากอยู่ในป่าอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าได้ยินคำของมารก็เลยตำหนิมารว่านี่เจ้ามารใจบาปอย่าว่าแต่เจ้าจะมาเชิญจะมาทูลเชิญหรือจะมาขอร้องอย่างไรก็ตามที เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยบัดนี้จิตเราหลุดพ้นจากบ่วงทั้งหมดแล้วจะให้กลับไปสู่บ่วงอีกย่อมเป็นไปไม่ได้ล้วครูเจ้ากา็ตรัสคาถาเป็นพาษิทธิมาสามคาถาคาถานี้เป็นคาถาที่สามนับตั้งแต่นู้นน่ะบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นความสุขบุคคลที่อุปถรัรมภ์บำรุงมานดาบีดาเป็นความสุขมีความสุขหรือนาความสุขมาให้ไล่ามาเลื่อยจนมาถึงคาถาเนี่ คาถานี้บอกว่าสุ ข, ขังยาวชราศีลังเนี่ยศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชลาสุขาสัทธาปฏิทิตาสัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้สุโ ข, ขปุลสุโ ข, ขปัญญาปฏิลาโภการได้ซึ่งปัญญานำความสุขมาให้และปาปานังอากาศนังสุ ข, ขังการไม่กระทําซึ่งบาปทั้งปวงนำความสุขมาให้อาภรรยคาถา ศีล น, นำสุขมาให้กราบเท่าชลาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้ได้ได้ได้ซึ่งปัญญาการได้นะการได้ซึ่งปัญญานำความสุขมาให้การไม่ทำซึ่งบาปทั้งหลายนำความสุขมาให้